พวกเรามีโอกาสได้สร้างบุญกันเยอะบุญภัยนอกเราก็ทาการเจริญภาวานาเราก็สร้างมาอยู่ด้วยกันหลายหลคนหลายห ล, ยหลยท่านก็ให้รักสมักสมานสามัคมคีกันมีความเป็นน้านึงใจเดียวกันมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจา่าค่อยพิจารณาอะไรผิดอะไรถูกเราก็ค่อยแก้ไขกันไม่ใช่ว่าจะเอาตแต่แก้งทิฏฐิเอาแตั้งแต่มนะเอาตั้งแต่อารมณ์ จางนั้นใช้การไม่ได้เราก็ต้องพยายามสร้างอานิสงส์สร้างบารามีให้กับตัวเราความเสสละของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความตนีเน่วแน่นของเรามีเราก็พยายามละความตนีเน่วแน่นไม่เห็นแก่ตัวมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมองเห็นประโยชน์ส่วนกว้างเจ้าที่กําลังของเรามีที่จะทำที่จะวัดประจำวัน ตแต่ตื่นขึ้นมาว่าเราขาดตกปกพ่องอะไรบ้างจิตของเราสงบดีอยู่หรือไม่หรือว่ามีความกังวลมีความพุ่งสร้างหรือว่ามีภาระหน้าที่อะไรที่จะต้อง ส, ะสะั่งเราต้องพยายามมันวิเคราะห์มันพิจารณาตรวจเรามันวิเคราะห์กายแล้วก็วิเคราะห์จิตสมมุติของเราอะไรที่ยังขาดตกปกพ่องอยู่อะไรที่ยังไม่ดีเราก็รีบแก้ไขให้ดีเสียส่วนทางด้านจิตเราก็รู้จักควบคุมจิตของเราได้ระดับไหน อะไรคือจิตอะไรคือสติที่เราสร้างขึ้นมาเราต้องพยายามแยกแะให้ชัดเจนเราถึงจะเข้าใจในเรื่องชีวิตของเรารู้จากดาเนินชีวิตรู้วจากบริหารรู้วยจากทำหน้านที่ของเราให้ถูกต้องมันก็มีไม่มากอะไรลกเต่อะวันแต่ละวั น, วนทุกคนก็สร้างอานิสงส์มาติจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ระยะที่เกิดมาเป็นมนุษย์จากเด็กเป็นผู้ใหญ่นี่แหละไม่ค่อยจะได้ทําความเข้าใจ มีตั้งแต่เป็นาธาตุของอารมณ์าธาตุของกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักแยกแยะอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุตต์เราจะบริหารอย่างไรสมมุติของเราทั้งเจ็อยู่ดีมีความสุขอยู่กับโลกโดยที่โลกไม่เข้าครอบงำเราจะไปอย่างไรมาอย่างไรกายแตกดับแล้ววิญญาณของเราจะไปอย่างไรตรงนี้เราต้องมาศึกษายังไม่ถึงเวลาเราโผลยังไม่ได้ไป ขอให้เราสร้างบารมีเถอะสร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นสร้างบารมีตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสำรวดกายของเราสำรวจจิตของเราเราก็ได้บุญแล้วคิดดีก็ได้บุญทำดีก็ได้บุญการกระทํำของเราก็ต้องถึงพร้อมเราก็ได้รับประโยชน์กายสมมุติ์ทางสมมุติเราก็ได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์ตรงนั้นด้วยคนอื่นก็ปล่อยได้รับประโยชน์ด้วยในแต่การพูดการคิดคิดในทางที่ดีพูดในทางที่ดี ไม่ให้มีมนทินเขา้าเกาะกลุ่มจิตใจของเราไม่ให้มีความอิจฉาลิษยาไม่ให้มีความทเยอทยันยะเข้าเกาะกุกมจิตใจเราพยายามดับพยายามละพยายามให้อภัยทานเอาโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ดีเราก็รีบแก้ไขเราแก้ไขตัวเราความเจ็ดคล้านในกายในใจของเรามีเราก็พยายามละความเจ็ดคลานความเฉสระไม่มีเราก็เพิ่มความเฉสระไม่เห็นแก่ตัว เรามีสัจจะกับตัวเราเองมีความจริงใจตัวเราเองไม่เอารัะเอาเปรียบคนอื่นยินดีพอใจในสิ่งที่เรามียินดีพอใจในสิ่งที่เราเป็นก็คอยยันมันเพียรรู้จักสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างความเป็นอยู่ทางสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขถ้าคนเรารู้จักวิเคราะห์พิจารณาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้ทั้งชีวิตรับรองไม่ตกอบับมีตั้งแก่ความสุขความเจริญทั้งภาระหน้าที่ทั้งภายนอกทั้งภายใน อยู่กับโลกเราก็ใช้โลกให้เป็นประโยชน์อยู่กับธรรมชาติธรรมชาติภายนอกคือโลกก็ทําไปธรรมชาติภายในคือดวงวิญญาณห้องหลงซึ่งไม่มีกิเลสเขาก็สะอาดเขาก็บริสุทธิ์แต่เวลานี้เขาทั้งหลงด้วยทั้งเกิดด้วยทั้งเย็ดด้วยถ้าเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยากที่จะเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาถึงเราแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ให้จิตของเราอยู่ในกองขูศลให้อยู่ในกองบุญเอาไว้ มันสร้างบนทางกุศลมันสร้างคุณงามความดีละความเจ็บคลานออกจากกิตใจของเราทีละเล็กทีน้อยไม่ใช่ว่าสร้างสะสมตั้งแต่ความเจ็บคลานสร้างสะสมตั้งแต่กิเลสความอยากเล็กๆทน้อยนั่นแหละกิเลสลึกลงไปละเอียดลงไปในหลักธรรมจริงๆแล้วก็แม้แต่อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นแม้แต่อยากจะได้ทํามันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นเราก็ต้องพยอยาก ม, มาจะเอิญสติเข้าไปดับเข้าไปควบคุม เข้าไปคลายจิตออกจากความคิดคลายความลงนิพพานาถึงจะเกิดความรู้แจง้งเห็นจริงถึงจะเปิดเราก็จะเข้าใจในเรื่องของกลักอริยสัจสิทุกสมุทยัยจิตส่งไปข้างนอกเป็นยังไงเราไปหลงไปยึดเป็นยังไงเข้าใจในเรื่องอัตตาในเรื่องอนัตตาอัตตาก็กายของเรานี้ยแหละอนัตตาคือความบางเปล่าตาเนื้อเราก็มองเห็นโยนเป็นรูปธรรมเป็นก้อนแต่อนัตตาความบางปล่านั้นเรา เจริญติก็ไปดูดูรู้ด้วยความรู้เข้ารู้ถึงจะเข้าใจแยกแยะอาการกต่างๆภายในกายของเราเราถึงจะเข้าใจทําไปเถอะสักวันหนึ่งก็คงจะมองเห็นทางถ้าเรามองเห็นทางทะลุผุโปร่ปปงแล้วเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดเราขึ้นอยู่ความเพียงตังแต่ละบุคคลหลวงพ่อก็ดีใจปูมกใจด้วยทุกคนที่มีตั้งแต่ความพยันหมั่นเพียรไม่เก็บคลาดไม่เห็นแก่ตัวมีอะไรก็ช่วยกันไม่หลงมัวมอง นี่แหละก็คือการปฏิบัติความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งภายนอกทั้งภายในความเป็นระเบียบเราก็ดูเท่าที่เราจะทําได้ตั้งแต่เราอาอยู่สถานที่แห่งนี้เราก็ช่วยกันดูแลตั้งแต่ปากทางจนถึงคนกลัวนั่นแหละอะไรมันโกลกตรงไหนเราก็รีบทำเสร็จใครอยากยาก็อย่าไปทิ้งทิ้งให้เป็นที่เป็นทางก็ดูเป็นระเบียบตรงไหนไม่เป็นระเบียบเราก็ช่วยกันทําเชี๊ยใครไปใครมาก็ มาเห็นสถานที่ก็จิตใจสบายก็ปล่อยได้อันนี้สงด้วยจิตใจก็เป็นบุญด้วยนั่นแหละเราไม่จําเป็นต้องไปปล่าประกาศลงไม่ต้องไปปล่าประกาศว่าเราเป็นนักปฏิบัติอย่างนั้นนักปฏิบัติอย่างนี้แต่การกระทําแล้วก็ให้มันถึงพร้อมรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองมันก็ประกาศอยู่ในตัวรู้อยู่ในตัวต้องพยายามกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรขาดตกปกพ้องเราก็รีบช่วยกัน เป็นพี่พนนเป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดแจ็เจ็บตายด้วยกันถึงเวลาแล้วก็ต้องได้พัดภาคจากกันหมดแหละไม่ได้พัดภาคจากกันตนตายก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนเป็นขณะยังมีลมหายใจอยู่เราค่อยายามอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ได้มาอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราเคยสร้างวิบากบุญวิบากกรรมมาร่วมกันจึงได้มาอยู่ร่วมกันถ้าคนเราไม่เคยสร้างวิบากกรรมมาร่วมกันก็ยากที่จะได้มาอยู่ร่วมกัน แสดงว่าพวกเราเคยสร้างบุญมาด้วยกันถึงได้เข้ามาอยู่ร่วมกันได้มีโอกาสได้มาสร้างอา น, นิสงส์สร้างสารรค์โตจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความกรคอามม่มยุดขามรุดพ้นก็ต้องพยายามเดินกันให้มันถึงจุดหมายปลายทางนะพยายามสร้างความมริสรับรู้ยิทธิการหายใจเข้าออกให้ต่อเนื่องกันให้เป็นธรรมชาติที่สุดสัพักเะยะหนึ่งเชงก